ข้าพันษาเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมถึงเวลาเข้าพัรษาจริงๆก็คือเวลาที่พระจะต้องเรียนให้หนักนี่ที่ผ่านมาไม่เฉพาะพระนะในสังคมของเราเนี่ยถึงเวลาเข้าพัรษาญนะาติโยมก็ต้องศึกษาธรรมะเหมือนกันอย่างคนแต่ก่อนนะพอถึงเข้าพัรษานะก็จะงดกินเหล้างดออาใบยมุกอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็คือการศึกษาธรรมะอย่างหนึ่งคือศึกษาเรื่องศีลงั้นข้าพรนศาเนี่ยคนโบราณนะเขาก็ศึกษาธรรมะเรื่องศีลถึงวันพระไปฟังเทศตลอดพรรษานะมีแบบนี้ตอนหลวงพ่อเด็กๆ ก, ก็สังคมยังเป็นแบบนั้นอยู่หลวงพ่อเกิดไม่กี่เดือนหรอกนะสัก 6- 7เดือนอะไรเนี้ยเข้าพรรษาแล้ว แม่เอาใส่เบาะสมัยโบราณเป็นเบาะนะข้างในเป็นนุ่นอะ่ะแล้วก็มีผ้ายางปูทีการฉี <c oughs> ไม่มีแพมเพิร์สไม่มนะีมีแต่ผ้าอ้อมใครรู้จักผ้าอ้อมมั้งทำไมมันชื่อผ้าอ้อม <c oughs> เวลาพันมันอ้อม <c oughs> ง่ายง่ายลูกทำไมชื่อผ้าขามา้า หนักแล้วครับนี้คนไทยก็ไปคิดใหญ่เลยผ้าขาม้าเนี่ยคงจะเป็นผ้าไว้ปลุกคอมา้าผ้าผูกคอม้าแล้วคนจะมาใช้ทำไรม้าที่ไหนมีปูกผ้าใชม่มั่วๆจริงๆเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่าผ้าพันคอนะแต่ว่าคนไทยออกเสียงเพี้ยนนิดหนึ่งมาเป็นขาม้ า, มาของเขาขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงเป็นเพี้ยน เนี่เรียนภาษาใหญ่สนุกเรียนธรรมมาแล้วเหงาตอนหลวงพ่อเล็กๆเลยนะแม่เป็นคนที่เลี้ยงหลวงพ่อเลยกเมา่แมนะ่ก่อนมีแม่นมแกไปฟังเทศทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพระนะไปฟังเทศทุกวันเลยที่วัดโพเอาเราไปด้วยนะนั่งรถรางไป ไปถึงก็ไปวางไว้ข้างธรรมะเลยแล้วก็นอนนอนซึมซับธรรมะไปพาประเทศไป <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเนะ <c oughs> นี่ยฟังธรรมะมาตั้งแต่ตลอดพรรษาเลยนะตั้งแต่เกิดเลยอะโตขึ้นมาหน่อยนะก็วิ่งเล่นอยู่ในวัดแนละ้วคราวนี้ลูกจากที่นอนได้แนละ้วไม่นอนฟังเทศให้เมื่อยหรอกนะลูกไปวิ่งยิ่ง แต่ก่อนไปหลายวัดนะมีแต่ละวัดข้าเทศไม่ตรงกันตอนนี้เข้าวัดนี้ตอนนี้เข้าวัดนี้มีอย่างนี้ด้วยนะยังก็ไปดูคอนเสิร์ตห <c> ร <oughs> ือไปดูหนังออกจากโรงนี้ไปเข้าอีกโรงนี่เราพลาดโตมาในบรรยากาศของธรรมะคุ้นเคยคุ้นกับพระตอนเรียนป ต, ตมปลายก็จะอยู่โรงเรียนวัดอีกโรงเรียนวัดโคอีแรง วัดพระปราชัยตั้งชื่อสัเพลาะเลยชื่อวัดพระปราชาชัยเดิเดมชื่อวัดโคกอีแรงก็ <c oughs> อีแรงชุมเป็นที่ประหาร น, นักโทษนะตอนเขาทำถนนนะเขาขุดถนนขึ้นมานะโอ้ผีหัวขาดเยอะเลยเราฝังฝังเอาไว้ตอนนั้นวัดนั้นก็เก่านะโบสถ์ก็เก่าพระประธานก็เก่าเข้าไปสัมผัสพระประธานเนี่ยท่านเป็นปูนนะเอานิ้วเขี่ยงอย่างเงี้ย หนังท่านลอกเลยท่านลอกเป็นผงออกมาเลยเข้าไปนั่งในโบสถ์กลางวันนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งสมาธิใจมันคอยเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะนะตอนไปอยู่มหาวิทยาลัยตอนนั้นลทัทธิมาร์กส์รุนแรงมากเลยตอนเข้าไปใหม่ๆนะยังมีกระแสของท่านพุทธทาสอยู่ พอเรียนไปเรียนไปนะกระแสะของมาร์เนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นกลบกระแสธรรมะหมดเลยล้วก็เรียนลัทธิมาร์กรู้สึกตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่เชื่อเหมือนกันนะแต่ไม่เชื่อหมดเรามาสังเกตนะพวกผู้นำแคนนํำตัวระดับสาคัญสาคัญนะดูดูไปมันจะมานำบ้านเมืองได้ยังไงดูแต่ละคนมันก็มีกิเลส น, นะ ก็ยังมีความชั่วแฝงอยู่อีกไม่มันไม่ดีจริงอย่างอุดมคติหรอกนั้นไม่ไม่เต็มร้อยกัรัที่ใดๆทั้งสิ้นเลยพอเรียนหนังสือจบแล้วนะั้นใจมันก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าอีกใจมันหันกลับเข้ามาหาธรรมะใหมนะ่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงวันๆก็ไปนั่งอ่านพระไตรปิฎก เวลาอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านสองฉบับอ่านภาษาไทยกับภาษาบาลีเอามาวางทาบกันแล้วค่อยๆดูไปเพราะว่าบางทีก็เคลื่อนเคลื่อนเหมือนกันนะบางทีแปลแปลคําแปลบางคําในพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยสรุปได้ง่า ย, ายๆว่าไม่ได้แปลอย่างคําว่าพุทธโธแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลเติมคําว่าพระเข้าไปเฉยๆเพราะท่านเป็นพระ เติมคำว่าเจ้าไว้ข้างหลังว่าท่านเป็นเจ้ามา ก, ก่อนที่จริงก็คือพุทธะอีกแหละงั้นจริงๆแล้วภาษาไทยนี่นะมันไม่สื่อไม่เข้าถึงอกถึงใจจริงๆหรอกนะต้องภาวนานะต้องภาวนาถึงจะเข้าถึงอกถึงใจจริงๆมีเยอะเลยที่ที่แปลแบบไม่แปลนะงีนเนอี่ยงพระท่านเรียน บาลีเป็นมหาเป็นอะไรก็ต้องอนุโมทนานะเรียนเรียนไว้อย่างน้อยก็ยังมีคนรู้ภาษานี้อยู่เรียนแล้วดีก็ดีไปเรียนแล้วเพี้ยนก็ไปแปรผีเที่ยวมีมกันนะนีบจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูลนะมาเจอหลวงปู่ดูลอ่านแต่พระไตปิฎกอ่านหนังสือท่านพุทธทาสอ่านเยอะมากเลยจนอายุ29แล้วนะ อายุยีก่อนหน้านั้นก็เอาแต่อ่านหนังสือเอาแต่ทําสมาธิอายุ29ไปกราบหลวงปู่ดุลไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากภาวนาอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งเงียบไปเลยนะท่านนั่งเก้าอี้โยกแต่ท่านไม่โยกท่านนั่งแล้วเอาเท้าเหยียบพื้นไว้ไม่โยก <laughs> คนก็อยากได้บุญนลยซื้อเก้าอี้โยกให้ท่านนั่งให้ได้นั่เอาขาเท้าท่านอะแทนขาก็อีก นั่งเงียบไปเลยนะเกือบชั่วโมงนะท่านลืมตาเราก็นึกว่าท่านท่านหลับไปแล้วเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองรู้สิเราไม่ได้บอกท่านเสหน่อยนะเราเป็นใครมาจากไหนเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านอภิธรรมไม่รู้เรื่อง อ่านอภิธรรมไม่รู้เรื่องอ่านได้แต่กระถาวัตถุของอภิธรรมอภิธรรมอันอื่นอ่านไม่รู้เรื่องงั้นอ่านเท่าที่รู้เรื่องอ่ะอ่านได้หลายรอบอยู่นี่หลวงปู่เอ๊หลวงปู่บอกว่าเราอ่านหนังสือมากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอริยสัจแห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรนะคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธข้างนอกตกไปหน่อยนะที่เขียนแผ่นหินไว้ข้างนอกเขาเห็นยาวไปมั้งออกไปเหลือจิตเห็นจิตจ ร, จริงถ้ามีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งทํามาแต่ตั้งวัดเทอา น, นั้นนี่ท่านสอนนะบอกให้ดูจิตตัวเองท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลืม้ม เข้าใจครับเหมือนที่พวกเราเรียนกับหลวงพ่อตอนเนี้ยมาถามถามนะหลวงพ่อตอบให้ปลื่มไปกลับไปถามว่ามาถามอะไรก็ชักนึกไม่ออกหลวงพ่อตอบอะไรนี้นึกไม่ออกเลยมัวแต่ตื่นเต้นะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันอ่นะตอนนั้นก็เหมือนกันเหมือนพวกเรานี่ยแหละหลวงปู่คุยด้วยนะหลวงปู่สอนปลืม่มท่านถามว่าเข้าใจไห ม, ไมตอบว่าเข้าใจนะกราบลาท่านนะ ขึ้รถไฟมามาลงโคราชจะมาแวะหาหลวงพ่อพุธไม่เคยเจอหลวงพ่อพุธมาก่อนนั่นหลวงพ่อเนี่ยเจอหลวงพ่อพุธหลังจากเจอหลวงปู่ดูลวันหนึ่งนะนั่งรถไฟจากสุรินไปใช้เวลาสองชั่วโมงกว่ามาบุรีรัมย์ชั่วโมงโคราชอีกชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี้พอรถไฟมันเริ่มเคลื่อนจากสุรินเริ่มตกใจหลวงปู่สอน บ, บอกให้ดูจิต จิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จะเอาอะไรไปดูไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้าดันไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วะยังบอกให้ดูจิตดูอะไรอะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะตกใจตกใจเลยตายระหว่าอุตสานั่งรถไฟมานะ <c oughs> เก็บวันหยุดไว้นะอุตสามาเรียนธรรมะนึกว่าเข้าใจแต่ไม่รู้จะปฏิบัติยังไง เหมือนที่พวกเรามาฟังหลวงพ่อบางคนมาฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงนึกออกไหมงงว่าหลวงพ่อสอนอะไรก็ไม่รู้พระองค์นี้สอนอะไรก็ไม่รู้ดูหน้าฟังดีแต่ไม่รู้เรื่องนะบางคนบอกว่าเสียงหล่อเราไม่ได้ให้ฟังเสียงนะ <laughs> มีบางคนมาชมเสียงหล่อมองหน้าเราก่อนนะแล้วบอกเสียงหล่อมันแปลว่าอะไระ <laughs> ฟังแล้วมันแสลงหูนะ ตกใจนะเอ๊ะหลวงปู่ให้ดูจิตจะดูยังไงอะตกใจทําอะไรไม่ถูกนึกขึ้นได้ทําอะไรไม่ถูกพุโทโธไว้ก่อนนั้นพวกเราจําหลักไว้เลยนะเวลาจะภาวนาถ้าไม่รู้จะทําอะไรทําสมถะไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนทําพุโทโธไว้หายใจไปพุโทโธไปนะเคยทำกรรมฐานอะไรทําไปก่อนทําให้ใจสบายก่อนอย่างน้อยต้องสบายใจ ถ้าจิตใจทุรนทุรายไปภาวนาได้ไงหลวงพ่อก็พุทธโธไปหายใจไปนะฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว22ปีฝึกอยู่งั้นหายใจมาแป๊บเดียวก็สงบแนละ้วพอสงบแนละ้วคราวนี้มาใช้สติปัญญาคิจรารณาคิดนะอันนี้คิดยังไม่ขึ้นวมปรัชนาหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตไม่ควรจะอยู่ที่ไหนจิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้แหละจิตมันเป็น ตัวรู้รู้อยู่เหมือนกันแหละนะมันเป็นธรรมชาติที่รู้มันต้องอยู่ในร่างกายท่านให้ดูจิตนะเราต้องไปดูให้ถูกที่ถ้าดูถูกที่แล้วคงเจอจิตเริ่มต้นเลยจิตคงต้องอยู่ในร่างกายงั้นเราจะค้นลงในร่างกายต่อไปนี้เราจะไม่เรียนกรรมฐานอะไรที่เกินกายออกไปนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะเม่ตอนนั้นเราลูคบคลามานะแต่เข้าเป้าตลอดเลยเข้าเป้าเลย จุดแรกเลยก็คือทำอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนนะดูกายไม่เป็นดูใจไม่เป็นทําความสงบไหมให้ใจตั้งมั่นให้ใจสงบนะใจสงบใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยข้อ2ไม่เรียนเกินกายออกไปธรรมะเนี่ยเรียนอยู่ในกายในใจของเราเองนะไม่เรียนออกนอกเนี่ยใจมันนึกขึ้นเองนะจิตมันต้องอยู่ในร่างกายจิตไม่ไปอยู่ตามภูเขาตามต้นไม้ตามท้องนาเนี่ย ตามต้นไม้ท้องนาบุรีรัมย์เนี่ยปลูกต้นไม้เต้มเลยเข้าท่ามากเลยไม่เหมือนนาภาคกลางนะตัดต้นไม้เกลี้ยงเลยนาแถวบุรีรัมย์เนี่ยถ้านั่งรถผ่านเรารู้เลยว่าบุรีรัมย์มันมีต้นไม้อยู่ในนาต้นใหญ่ๆนะหลังๆนี่เริ่มขุดขายคนกรุงเทพนละจิตต้องไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้จิตต้องไม่อยู่ในท้องนาจิตต้องไม่อยู่ที่ภูเขาไม่อยู่ในต้นข้าว จิตต้องอยู่ในร่างกายเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะไม่รู้เกินกายเราจะวนเวียนเรียนอยู่ภายในร่างกายนี่เองแต่จิตอยู่ตรงไหนในร่างกายนะค่อยๆสังเกตลงไปตอนนั้นผมยาวนะผมยาวอย่างพวกเราดึงผมเลยสัมผัสลงไปเลยจิตอยู่ในเส้นผมหรือเปล่าดูไปทําใจสบายๆเส้นผมก็เป็นวัตถุแลนะ้วไม่เห็นมีจิตเลยนะหรือว่าอยู่ที่ขนคิ้วก็มีนะก่อนจับคิ้ว เมื่อก่อนหลวงพ่อแทบจะเป็นพระเอกยี่เกดได้เลยคิ้วสําผั น, ะนคิ้วก็ไม่เห็นมีจิตอยู่ในคิ้วนะผมคนเล็บฟันหนังนะฟั น, น้นไม่ได้อ้าปากมาตู่ๆนะเดี๋ยวชาวบ้านเขารังเกียด น, นั่งรถไฟเอาลิ้นแตะๆมีมีจิตอยู่ในฟันไม่ไม่มีเนะนี่ไล่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าจากเท้าถึงศีรษะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายเพราะว่าจิตไม่ได้ตั้งอยู่ตรงไหนเลย จิตไม่ได้ตั้งอยู่ในวัตถุเอาแล้สนะิแต่ตรงนี้หลวงพ่อกำลังทำอะไรพวกเรารู้ไหมหลวงพ่อกำลังแยกรูปนามอยู่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ากำลังแยกรูปนามมอาศัยที่ครูบาอาจารย์สอนมาบอกให้ดูจิตท่านะจับหลักมา3ข้อละข้อที่หนึ่งทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนข้อที่สองไม่เรียนเกินกายออกไปเรียนอยู่ในกายในใจของตัวเอง ข้อที่สแยกรูปแยกนามหลวงพ่อเริ่มมาแยกผมใช่ไมผมไม่ใช่จิตขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ขึ้นไล่ ล, ลงไม่ใช่จิตร่างกายไม่ใช่จิตจิตกับร่างกายควนละอันกันนี่คือการแยกรูปแยกนามนั่นเองหลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา อาจารย์มหาบัวสอนฟันธงเลยนะว่าถ้าไม่มีการพิจารณาแยกรูปและแยกนามแล้วก็ไม่เรียกว่าปัญญาหรอกนะก็จะตรงกับอภิธรรมปัญญาแรกเลยของอภิธรรมนะั้นชื่อนามรูปปริเฉทธยานแยกรูปแยกนามนั่นเองปริเฉ ท, ทนะแยกนะแยกรูปแยกนามมีปัญญาแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นพอใจของเราสงบใจตั้งมั่นแล้วนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจตัวเอง ค่อยๆหัดแยกรูปแยกนามไปนี่ทํามาเองเลยนะหัดแยกรูปแยกนามแยกของเรามาด้วยด้วแยกมายังไม่ทันจะหมดนะแยกรูปได้หมดแล้วพบว่ารูปไม่ใช่จิตแล้วจิตอยู่ในร่างกายจริงนะแต่ร่างกายไม่ใช่จิตนเห็นอย่างนี้ละถึงโคราชจะแวะลงโคราชไปหาหลวงพ่อพุธลงสถานีรถไฟแล้วก็เดินเอาเพราะเรารู้ว่าวัดท่านอยู่หลังสถานีเดินถามเข้าไปเรื่อยๆนะ กเดินเดินเข้าไปในวัดไปถามหาหลวงพ่อพุธอยู่ไหมอยู่ไปเห็นหลวงพ่อพุธนะก็ไปฟังธรรมะท่านครั้งแรกที่เจอท่านโอ้องนี้หนุ่มเพ้าเราเรียนกับพระเก้าสิบมาแล้ว <c oughs> จเจอพระห้าสิบป่ารู้สึกนุม่มหนุ่มจันสมชายก็หนุ่มตอนหลังๆเขาเรียกหลวงปู่สมชัยกันนะออกจากโคราชนะาจากโคราชมานั่งรถไฟใหม่ นั่งรถไฟต่อมาอีกคราวนี้เป็นรถหวานเย็นหน่อยหนะ่อยแล้วไม่ใช่รถด่วนอะไรแล้วนัรถหวานเย็นมามาเตือหัวลําโพงเย็นเลยสมกับชื่อหวานเย็นนะ <c oughs> ระหว่างทางนะนั่งแยกรูปแยกนามมาตลอดในเมื่อจิตไม่ใช่ร่างกายจิตเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือเปล่าคิดอย่างนี้นะหลวงพ่อก็นั่งสมาธินั่งไปมีความสุขเกิดขึ้น มีความสุขเกิดขึ้นแล้วสังเกตลงไปในความสุขความสุขเป็นจิตหรือเปล่าดูลงไปในความสุขดูไปดูไปความสุขหายไปจิตก็ยังไม่ได้หายไปเอะ๊ะความสุขกับจิตโคละอนกันละเอาใหม่มาดูความทุกข์ดีกว่าเผื่อว่าจิตจะอยู่ในความทุกข์เ น, นี่ยดูค้นคว้ามากเลยนะเพราะว่าไม่มีครูสอนไม่เหมือนพวกเรานะสอนให้ละเอียดยิบเลยยังไม่ค่อยจะทาเลย ลวงพ่อนะครูบาอาจารย์สอนนิดเดียวนะั้นต้องคนเอาเองนั่งรถไฟไปไม่กระดุกระดิกเลยจะดูความทุกข์ละต่อไปนี้นั่งจนปวดเลยนะปวดแล้วปวดอีกนะั้นดูลงไปในความรู้สึกปวดดูซิมีจิตอยู่ในปวดไหมไม่เห็นนะั่นั่งไปนานจนมันหายปวดของมันเองนะอย่างนั่งเมื่อยๆนะที่ว่านั่งสมาธิเมื่อยนะทนทนนั่งไปนะมันหายนะเพราะเมื่อยก็ไม่เจียงเหมือนกันดูไปความปวด ไม่ใช่จิตอีกแล้วเอหรือว่าจิตเป็นความคิดคิดอย่างนี้นะหรือว่าจิตเป็นความคิดคิดดีคิดร้ายคิดโน้นคิดนี้เอาแล้วเราลองคิดดูคิดอะไรดีคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็คงดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วเราคิดบทสวดมนต์ดีกว่าเอาบทที่เราประทับอกประทับใจหลวงพ่อชอบมากเลยนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบรักรากรากัรกพระพุทธเจ้านะท่านทั้งบริสุทธิ์ยังกรุณาดังห้วงมหันนบด้วยไม่ใช่กรุณาเท่าห้วยหนองคลองบึงนะนี่เท่ามาหาสมุทรเลยนะนึกถึงท่านแล้วมีความสุขในใจก็บริกรรมไปนะพุทโธสุดสุดโธกรุณามาหันโนโว่พอมาถึงตรงนี้นะมันเห็นกระแสของความคิด พุทโธสุดๆโธกรุณามห h a n a b o ก็คือความคิดที่จิตมันคิดขึ้นมานั่นเองนะเพราะความคิดนี่มันเลื้อยออกมาจากความว่างนะพวกเราคิดออกมาจากความว่างนะแล้วมันก็สลายตัวไปในความว่างมันเลื้อยออกมาเหมือนงูเลื้อยออกจากรูเลยเลื้อยเพื่อแล้วก็สลายไปนะหรือเหมือนควันไฟนะลอยขึ้นมาแล้วสลายไปนะความคิดจะมีลักษณะแบบเนี้ทันทีที่เห็นจิตคิดจิตรู้ก็เกิดขึ้น พวกเราจำไว้เลยนะนี่เป็นกฎสำคัญอีกข้อหนึ่งทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นนะจำกฎได้หลายข้ อ, อยังจำได้ไหมทำพยักหน้าเดี๋ยวถาม <c oughs> ชักแยงละนะข้อที่หนึ่งทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนให้ใจสงบสบายไว้ก่อนข้อที่สองถ้าจะเดินปัญญานะอย่าเกินกายออกไปนะ ข้อที่สหัดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจนะแยกไปเรื่อยนะข้อที่สี่ถ้าสามารถแยกมาจนถึงขนาดที่เห็นว่าความคิดก้านหนึ่งนะจิตก้านหนึง่งนะถ้าแยกได้อย่างนี้นะเห็นว่าจิตคิดเนี่ยปุ๊บจิตรู้จะเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน มีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศองค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางต้นทางคืออะไรต้นทางก็คือจิตรู้นั่นเองนะงั้นบางคนที่หลวงพ่อบอกว่ารู้แล้วตื่นแล้วอะไรเนี้ยนั่นคือได้จิตรู้ได้จิตรู้แล้วเวลาจิตคิดขึ้นมาอีกจิตรู้ก็หายไปจิตรู้ไม่เที่ยงจะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยจริงๆไม่ได้ งั้นพวกเราสังเกตง่ายๆนะพวกเราถ้าอยากมีจิตรู้พวกเราใช้วิธีง่ายๆเลยคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตไปคิดแล้วก็รู้ทันถ้ารู้ทันอย่างนี้นะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้สำคัญมากเราจะใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไปเดินปัญญาทำวิปัสสนาตัวจริงนะ เราเราฝึกให้ดีนะอย่างที่หลวงพ่ อ, อาหัดมาเนี่ยไล่ๆ่ตัวเองมาเนี่ยมาเห็นจิตรู้เนี่ยนะเมื่อถึงหัวลําโพงเกือบจะลงจากสถานีรถไฟแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นนะจิตถอนตัวออกจากอารมณ์เลยจิตมันรวมกับอารมณ์อยู่ตลอดปีตลอดชาตินะรวมเป็นก้อนอยู่กลางหน้าอกเนี่ยทันทีที่รู้ว่าจิตคิดเกิดจิตรู้จิตรู้นี่ถอนตัวออกจากอารมณ์ทันทีเลยนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเลยนะ ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วคิดดีคิดชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะแต่ตอนนั้นมันแยกแวบเดียวยังอธิบายอย่างที่เล่าให้พวกเราฟังไม่ได้นะจนทั้งจิตรู้เกิดเนืองๆแล้วถึงค่อยมาสังเกตนะนี่หลวงพ่อเข้าใจผิดพอได้จิตรู้แล้วโอ้าจะตรงนี้ละวะหลวงปู่บอกให้ดูจิตงั้นเลยไปเพ่งเอาตัวผู้รู้เข้า ถ้าวันไหนจิตรู้หายไปนะก็รีบดิ้นรนค้นก้าใหญ่เพื่อให้เกิดจิตรู้ขึ้นมาอีกนะแต่กว่าจะจับหลักได้นะว่าแค่รู้ว่าคิดจิตก็รู้แล้วนะกว่าจะจับหลักตัวนี้ได้ใช้เวลาตั้งนานนะหลายเดือนเนะี่ยสเดือนนะสอสเดือนนะทีแรกก็คิดว่าไอ้จิตมันเวลาหลงลงไปปีกเกาะอยู่ที่หน้าอกเนี่ยหาทางทําลายตรงหน้าอกเนี่เพ่งให้ระเบิดมัางทําให้แตกบ้างพอมันแตกไประเบิดไปนะัจิตรู้ก็เกิดขึ้นแต่ทุรักทุเลวันนี้เพ่งแตกอีกวันหนึ่งไม่แตกแล้ว ใช้วิธีเฉือนเราเฉือนเฉือนเฉนเือนเป็ น, น, น, น, นเล็กๆแล้วสลายไปอีกนะก็เป็นจิตรู้ขึ้นมาอีกอีกวันหนึ่งเฉือนไม่เข้าแล้วเ ด, ด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ ง, ดงะโสู้ยากกว่าจะจับหลักได้ว่าจริงๆแค่รู้ว่าจิตคิด จ, จิตรู้ก็เกิดแล้วพอรู้รตัวนี้นะฝึกอยู่ได้สามเดือนแล้วเรามีจิตรู้แล้วนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราเห็นจิตแล้วรีบวิ่งเลยไม่ใช่วิ่งเราวิ่งไปขึ้นรถไฟะรถไฟมันวิ่งเราไม่วิ่งเระ ไปบอกหลวงปู่หลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วจิตเป็นยังไงหลวงปู่พูดไม่มีเป็นยังไงเละโยมะอะไรย่างนี้ไม่มีนะหลวงปู่ครับผมเห็นจิตแล้วจิตเป็นยังไงเรื่ย่างนนะเสียงท่านจะอย่างนี้เลยนะจิตมันเป็นอย่างโน้นจิตมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยพอรู้ไปดูไปแนละ้วมันถอดออกมามาเป็นรู้อยู่เนี่ยมาเป็นจิตรู้นะเนี่ยตะคองจิตรู้ไว้ หลวงปู่บอกว่านั่นไปแทรกแซงจิตไปแทรกแซงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตนะนี่ท่านสอนอย่างนี้นะไปดูใหม้นี่การบ้านยกที่หนึ่งหงายหลังเลยเพราะว่าไปจับเอาตัวรู้ไว้งั้นหลวงพ่อเนี่ยมั่นใจร้อเลยการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปเพ่งตัวรู้ไม่ใช่ไปเกาะตัวรู้อยู่นิ่งๆไอ้นั่นไม่ใช่การดูจิตนั่นเป็นการแทรกแซงจิตทําให้จิตไม่ทํางานทําให้จิตไม่ส่งออกนอกเท่านั้นเอง แต่จิตนั้นไปเกาะตัวอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่การเดินปัญญาอย่างเด็กขาดแล้วไม่ใช่สิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนด้วยเพราะหลวงพ่อเอาการบ้านอันนี้แหละไปส่งหลวงปู่ดูลโดนท่านตีงายหลังกลับมาท่านบอกไปดูใหม่นั่นแหละเป็นหลงกับอาการของจิตอาการของจิตคืออะไรอาการสงบนิ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเป็นแค่ความปรุงแต่งอย่างหนึ่งของจิตเท่านั้นเองเอาละว่าท่านบอกว่าผิดครานี้นมาดูมานึกได้ว่าท่านให้ดูท่านไม่ได้ให้ทําอะไรเพราะงั้นเราไม่ทําตัวผู้รู้ แต่ว่าทันทีที่รู้ว่าจิตคิดตัวผู้รู้ก็เกิดพอตัวผู้รู้เกิดนะเดี๋ยวตัวผู้รู้ก็ดับเดี๋ยวก็ไปคิดอีกคิดบางทีก็คิดดีคิดบางทีก็คิดร้ายคิดบางทีก็มีสุขคิดบางทีก็มีทุกข์เห็นแต่ความหมุนเวียนอย่างนี้จิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงนะคิดไปจะห้ามมันคิดได้ไหมห้ามมันไม่ได้จิตมันจะคิดห้ามมันไม่ได้ จิตมันจะสุกมันคิดไปแล้วมันจะสุกมันคิดไปแล้วมันจะทุกข์สั่งมันไม่ได้ว่าจงสุขอย่างเดียวห้ามทุกขนะ์ห้ามไม่ได้คิดไปแล้วจะเกิดกุศลคิดไปแล้วจะเกิดอกุศลห้ามไม่ได้นะพบว่าจิตเนี่ยทำงานได้เองคิดนึกปรุงแต่งได้เองนะแล้วก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คือการเห็นอะไรเห็นความเป็นอนัตตาของจิตนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งนะฝึกมาอีกหนึ่งกี่เดือนวะ อีกสี่เดือนฝึกมาอีกสเดือนนะรวมแล้วเจ็เดือนตั้งแต่ที่เรียนกับหลวงปู่เดือนกันยาพายุมาพนะายุเข้าเปียกฝนทั้งตัวเลยแล้วก็เลยไปหลบฝนอยู่ที่กุฏิพระที่วัดสมสมันนั่นอยู่ตรงข้ามที่ทํางานหลวงพ่ออยู่ในธรรเนียมตัวนี้เปียกโชคเลยนะไปถึงก็ไปนั่งกอดเขาตอนนั้นน้องชายบวชอยูนะ่แล้วก็เลยไปอยู่ที่ที่ห้องเขาแหละ เราก็กลัวกุฏิเขาเปียกมากนะไปนั่งกอดเข่าอยู่แล้วเขาก็ไปทําทุลาของเขาเราอยู่คนเดียวใจเราก็กังวล น, นะเราเปียกฝนขนาดนี้เราคงจะเป็นบัดนะแต่เดิมเปียกฝนที่อะไรเป็นหวัดทุกทีไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเปียกฝนไม่เป็นหรอแต่ก่อนที่เปียกฝนเป็นวัด ต, ตอนนั้นยังไม่ทันจะเป็นบัดเลยกลังวลแะว่าจะเป็นหวัดนี่เราเคยฝึกดูจิต ด, ดูใจจดชํานาญความกังวลเกิดขึ้นมันเห็นเองโดยที่ไม่เจตนาจะเห็น มันรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ตัวนี้สำคัญนะพวกเราต้องเบื้องต้นก็ต้องจงใจรู้ไว้ก่อนรู้จนเคยอัตโนมัติจนเคยชินแล้วนะมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ตัวนี้แหลสะสติอัตโนมัติเกิดนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเคยฝึกนะจิตไหลไปรู้จิตไหลไปรู้จิตมันตั้งขึ้นมาโดยไม่เจตนาจะให้ตั้งสมาธิก็ทรงตัวขึ้นมาโดยไม่เจตนานปัญญาก็ยั่งลงไปเห็นนะความกังวลใจเกิดขึ้น ความโกงควรใจขาดสลายไปโดยที่ไม่เจตนาให้ขาดสลายะเสร็จแล้วจิตรวมลงที่จิตนะจิตรวมลงที่จิตโลคกระแทกนี่ดับไปเลยพายุตุมตามตุมตามนะหายไปหมดเลยร่างกายก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวล้วนๆเลยถึงจะเข้าใจที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยนะจิตมันถอดถอนตัวเองออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ สติสมาธิปัญญาเนี่ยรวมลงที่จิตอันเดียวเพราะงั้นคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นคำที่สูงมากนะท่านถึงบอกว่าคือตัวมรรคนะนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมลงที่จิตอันเดียวโดยไม่ได้เจตนาเลยไม่มีความคิดด้วยนะความคิดนิดสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะแล้วจิตมันก็เข้าใจขึ้นมาว่าโอ้จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกนะเนี่ยมัเข้าใจอย่างนี้ไปส่งกันบ้านหลวงปู่นะท่านอนุโมทนาให้นะรอบสามเนี่ย ในครั้งที่สไปส่งกันบ้านนะั้นท่านโมทนานะบวกดีไปทําต่อเนะพึ่งตัวเองได้แปลว่าพึ่งตัวเองได้มีที่พึ่งแล้วห น, นะท่านว่าอย่างนี้ถึงพระรัตนตรยัยนะท่นว่าอ่างนี้หลังจากนั้นเราก็ภาวนานะเราก็ดูของเราเรื่อยมาดูกายดูใจสรุปนะอนแรกทําอะไรไม่ถูกทําความสงบไหมอันะทนที่สองอย่ารู้เกินกายออกไปคอยรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะ อันที่3ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูตอนหลวงพ่อหัดมาในรถไฟเนี่ยกระโดดข้ามไปอันนึ่งข้ามขันต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนนะพอจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วธาตุขันจะแยกออกกายจะอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตสังขารอยู่ส่วนสังขารจิตอยู่ส่วนจิตแต่ถ้ามันไม่ยอมแยกช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไป พิจารณาลงไปเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อไล่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกไม่ใช่จิตเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนะช่วยมันคิดคนไหนเคยเจริญปัญญามาแล้วนะมันจะพอจิตถอนตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยธาตุขันจะแยกเองกระจายเองแต่คนไหนยังไม่ได้เจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อ น, นช่วยมันคิดพิจารณาให้มันแยกธาตุแยกขันให้เห็นเลยกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะเวทนาส่วนเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่จิต สังขารส่วนสังขารไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตนี่ดูอย่างนี้ลงไปในสุดจะแยกขันเพราแยกขันออกไปแล้วแต่ละขันจะแสดงใจรักเองนะหลวงพ่อถนัดดูจิตเพราะงั้นมันมันดูที่จิตเห็นจิตแสดงใจรักนะมันก็ผ่านได้นะบางคนไปเห็นกายแสดงใจรักก็ผ่านได้เหมือนกันนะไม่มีนัยยะอะไรเล ย, เล ย, เลยไม่มีความต่างเลยนะทางใครทางมันนะอา้าวไหวไหมอย่างนี้สรุปให้ฟังสรุปแล้วสรุปอีกถ้าลองให้เราสรุปจะคนละเรื่องเปล่าไม่ดูนะ เอาไปทานค้าไป